อากันสั่งใจฝึกใจของตนให้มันดีใจคนธรรมดาสามัญนี่คุมดีคุมร้ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกกิตนี้ ให้มันดีตลอดไปอย่าให้มันเกิดคุ้มดีคุ้มร้ายความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ใดที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่จึงชื่อว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะมีเวลาว่างอยู่มาก ที่จะได้ประกอบความเพียรสำรวมจิตฝึกกิตดวงนี้ให้มันดีสม่ำเสมอไปแต่ถ้าผู้ประมาทแล้วถึงได้มาบวชมาเรียนอยู่ในที่สงบสงัดก็ยังประมาทอยู่ก็มีออไปถุไปสู่ที่สงบสงัดยิ่งคิดมาก น, นันก็มีนะต้องระวังให้ดีมันชอบคิดมากแหละเมื่อเข้าไปอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดเข้าไปแล้วถ้าสำรวมได้มันก็ได้ความสงบดีถ้าสำรวมไม่ได้แล้วก็พุ่งซ่านนี่มันมีทั้งคุณนังโทษอันที่สงบสงัดเนี่ย ผู้ประมาทแล้วก็ได้มีโทษมากผู้ไม่ประมาทก็มีคุณมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพาการเข้าใจความหมายของการที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้แสวงหาสถานที่อันสงบส ง, งัด ปราศจากเสียงรบ ก, กวนปราศจากุงชนที่พกุกพันไปมาอย่างนี้มันธรรมชาติดังกล่าวมานี่มันก็ช่วยให้ใจของเราสงบลงได้ส่วนหนึ่งไม่ว่านักวดไม่ว่าขรึมหัดผู้ที่หวัง จะฝึกจิตของตนให้ดีให้สมมเสมอไปแล้วก็ควรสละเวลาไปสู่ที่สงบสงัดดังกล่าวนั้นเพราะว่าความสงบนี่เป็นความสุขอันสดใสเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์ ไอ้ทุกข์ที่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหานั่นมันเป็นทุกข์ที่ประกอบไปด้วยทุกข์เราให้พึ่งมีปัญญารู้จักของบริสุทธิ์หรือของไม่บริสุทธิ์แต่เราไปหาสิ่งของในตลาดก็ยังเลือกแล้วเลือกเล่า เพื่อให้ได้ของบริสุทธิ์อย่าให้มีเสียหายตรงไหนเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ตามเครื่องลุ่งโมเครื่องใช้อื่นๆต้อตงเลือกแล้วเลือกเราเห็นว่ามันปลอดดีแล้วก็จึงซื้อหาเอานี่คนส่วนมากก็ไปเลือกตั้งแต่สิ่งภายนอกนั่นเลยให้ได้ ของดีของบริสุทธิ์มาใช้สอยแต่แล้วไม่เลือกเพ้นความรู้สึกลึกคิดในจิตใจตัวเองว่าแต่มีเรื่องอันใดมาถึงเข้าก็ไหลไปตามเลยดีชั่วไม่ว่าอย่างนี้นะเป็นส่วนมากคนเรามันถึงทำชั่วได้ก็เพาะมัน ยึดอารมณ์ชั่วไว้ในใจไม่ยอมละไม่ยอมวาง น, นั่นเองเมื่อมันยึดมากๆเข้าไปมันก็ล้นออกมาทางกายทางวาจาอะไรนี่อารมณ์อันนั้นแสดงกิริยากายอย่าโปลนต่อผู้อื่นแสดงกิริยาวาจาอย่าโรลนต่อผู้อื่นมันนั่นสอแสดงถึง ภายในจิตใจนั่นมันอัดอั้นอยู่ด้วยความชั่วอยู่ด้วยเรื่องอันชั่วได้แก่ความโกรธนี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดอันความโลภนั่นมันก็แสดงออกแต่บางครั้งบางคราวด อ, อกทําไมมีเหตุเพียงพอมันก็ไม่ได้แสดงออกแต่ความโกรธนี่รู้สึกว่ามันทีกว่าเพื่อนต้องระวัง เพราะว่าบุคคลที่แสดงกิริยาให้ตนไม่พอใจน่มันมีอยู่บ่อยๆหรือทำอะไรเนี่ยมันผิดหวังมันไม่ถูกใจอย่างนี้นะมันก็มีอยู่บ่อยๆ อ, อ, อยู่เลยถ้าบุคคลไม่ระวังไม่สำรวมใจไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองแล้ววันหนึ่งๆ น, นี่มันจะโกรธอยู่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะ ก็เลยต้องระวังให้ดีต้องมีสติให้ทีระลึกให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรบางคนตอนโกรธไปก็ไม่รู้ตัวมันลืมตัวเพราะขาดสติสติมันห่างดังนั้นในสติปัฏฐานนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอน ในอิริยาบถปรับพระการเคลื่อนไหวในร่างกายยืนเดินนั่งนอนเวซ้ายแลขวาถ่ายอุจราถ่ายปัสสาวะอะไรโมนี่นะทรงสอนละเอียดไปหมดให้มีสติรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนะในขณะนี้อย่างนี้นะ อย่รู้ตัวไปเสมออย่าไปลืมตัวถ้าไปลืมตัวแล้วอย่างนี้เวลาทําผิดไปไม่รู้ตัวอย่างที่ว่านั่นเละยเป็นอย่างนั้นเมื่อมันร้อนใจขึ้นมาอย่างแรงพี่จึงรู้ตัวเดี๋ยวมันความชั่วนั้นมันมีกําลังแรงกล้าแล้วมันแก้ยากกว่านี้ มันแก้มาค่อยตกมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่สำรวมตนเลยแกล้งทำแกล้งพูดจาบโนนไปต่งตางๆนานาตามนิสัยคนผู้เป็นโทสทจริตและไม่ยอมปรับปรุงความคิดความเห็นความรู้สึกในใจตัวเองให้ดีขึ้นเลย รอยอุปนิสัยใจคอให้มันเลวทามไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่ท่านเรียกว่าคนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วอไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองให้ดีนิสัยวัสนาตนเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละทําชั่วด้วยนิสัยวัสนาที่ไม่ดีนั่นก็ มากต่อมากเนี่ยคนเรานะอืมนี่ต้องผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนามันต้องกลัวดูตัวเองให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนอย่าไปเมินเฉยต่อตัวเองเมื่อกลัวตัวเองแล้วละเอียดถี่ถ้วนมันก็รู้ความชั่วอันเป็นส่วนละเอียด เมื่อมันรู้ส่วนหยาบละส่วนหยาบได้แล้วมันยังส่วนละเอียดเมื่อมีสติปัญญาเพ่งพินิษดูให้ละเอียดเข้าไปมันก็ละความชั่วส่วนละเอียดนั้นให้ได้ไปเรื่อยๆไปเี่ความชั่วนะมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างครั้งอย่างละเอียดเหมือนกันเลยอะนนั้นเราต้องพิจารณาให้มันละเอียดทีทวน บางคนก็ไปละได้แต่ความชั่วหยามหยาบนันก็มีไอความชั่วยางกลางอย่างละเอียดก็ยังละไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะละมันซะเลยก็มีเพราะไม่รู้นี่เรื่องมนะันน่ะอต้องรู้ความชั่วยางกลางเช่นการปล่อยจิตให้คิดพุ่งซ่านลำพันไปต่างๆนานา อันนี้นะมันก็เป็นความชั่วอย่างหนึ่งแต่มันไม่รุนแรงไม่ถึงกับใช้กายวาจาทาชั่วพูดชั่วไปเพียงแต่ความคิดมันพุ่งไปเฉยๆนี่เราต้องรู้ว่า น, นี่นะก็เป็นความชั่วอันหนึ่งที่เราจะต้องละความชั่วอย่างกลางความชั่วอย่างละเอียดได้แก่ความ คิดอันละเอียดซุกคุ้มเข้าไปอแต่คิดเกลียดชังคนนั้นคนนี้นั่นแต่ว่าคิดอ่อนๆหรือว่าคิดรักคนนั้นคนนี้แต่ว่าคิดอ่อนๆไม่คิดแรงถ้าว่าไม่พิจารณาให้ละเอียดจริงๆแทบจะไม่รู้ใ้ความคิดอย่างว่านี่นะ่ะ ถ้าผู้มีสติตามดูกิริยาอาการแห่งความคิดในจิตใจนี้เสมอๆแล้วมันก็รู้ได้มันก็รู้ได้ว่าอือขณะนี้ตอนความคิดนี่มันเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็รู้นี่ทัานพรู้อย่างนี้แล้วมันก็กาหนดละ พันธีเลยมันละได้ง่ายกิเลสส่วนละเอียดนั่นน่ะมันไม่เหมือนส่วนหยาบแต่พอขอให้รู้เถ อ, อะละแล้วมันกำลังงับไปเลยเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนในการฝึกฝนจิตใจนีนะ่ก็ต้องให้มันก้าวหนา้าเรื่อยไปมันก็จึงมั่นคงนะ่ะ ถ้าไปย่ำตกอยู่แต่ที่เดิมได้อย่างนี้มันก็ไม่มั่นคงเลยความดีทั้งต่างที่เรากระทำบำําเพ็ญมามันก็คอยจะจะเสื่อมคอยจะถอยหลังเข้าคลองเหมือนควมว่าตนเคยลุกอำนาจแกกิเลสอะไรมาแต่ก่อนก็ลุกอานาจอยู่นั่นไม่ทำกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางออกไปได้เลยอย่างนี้ มันไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทัางคฤหัสถ์ทั้งนักบวชนั่นแหละต่างคนต่างก็เห็นโทษของกิเลสบางสิ่งบางอย่างอันคฤหัสถ์ผู้ครองเลื่อนอย่างว่าเห็นโทษแห่งความโลภความตนีอย่างนี้นะก็จึงได้ฝึกจนให้เป็นคนมีเมตตาเปื่อยแผ่กว้างขวางไม่เห็นแก่ตัว นั่นผู้เช่นนั้นกะว่าเห็นโทษแห่งความเห็นแก่ตัวความตณีความหวงแหนว่ามันเป็นเครื่องทวงชีวิตจิตใจนี่ให้คล่องอยู่ในโลกนี่มันเห็นอย่างนี้มันถึงได้บริจาคทานออกไปแต่ถ้าไม่เห็นโทษแห่งความโลภอันนั้น ถึงบริจาคทานก็บริจาคไปตามหมู่ตามเพื่อนตามประเพณีปีละครั้งปีละหนอ น, นั้นเรียกว่าทําบุญตามประเพณีเฉยๆไม่ได้มองเห็นว่าบุญนั้นจะกำจัดกิเลสอะไรออกจากหัวใจของตนได้บ้างไม่ได้คิดไม่เห็นเห็นเพื่อนทําก็ทําไปอย่างนั้นแหละ อย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากคนทำบุญในโลกนี้นะดังนั้นเพื่อให้มันก้าวหน้าเราจะไปย่ำตอกอยู่แค่นั้นต้องคิดต้องพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโลภความตนีในหัวใจนั้นแล้วมันก็จะยินดีในการสละวัตถุปัจจัยที่ตนหามาได้ที่พอจะสละได้ สละออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปการที่เรามาภาวนาเพ่งดูมาเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้แล้วมันถึงละมันได้ละด้วยข้อปฏิบัติน ะ, ะการละกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วกิเลสนี่มันจะเบาไปจะละมันได้ ไม่ใช่พราะมันมีเหตุภายนอกเป็นเครื่องหลอกให้จิตใจหลงอยู่อย่างความโลภอย่างที่ว่านี่เนี่ยถ้าหากว่าฝึกนิใสัยให้เป็นคนเสียสละออกไปแล้วความโลภมันก็บาวไปจริงถ้าไม่ฝึกจนได้เป็นผู้เสียสละว่าถูกภายนอกเจ๊เลยอย่างนี้ ไม่มีทาหนหอกความโลภมันจะหายออกไปจากกิตใจนี่นะโู้มีนิสัยเคยโกรธติดตัวมาก็าเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าไม่เห็นโทษแห่งนิสัยอันประกอบไปด้วยความโกรธความบายาบาทเช่นนั้นมันก็ไม่เพียนละมันก็ยังเห็นว่ามันดีอยู่นั่นแหละกิเลสเ่านั่น เมื่อเวลามีอนิจธาอรมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระทบกระทั่งมามันก็ลุกขึ้นมากิเลสคือความโกรธอุปมาเหมือนอย่างไฟลูกไฟที่มันหมกเท่าอยู่เมื่อมันไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีควันไม่มีเปลวขึ้นมามันก็ค่อยหมดไปหมดไปดับไป แต่ถ้ามีหญ้าแห้งเข้ามาใส่เข้าไปแล้วอ่ะมันได้เชื่อแล้วมันก็ควันขึ้นมาก่อนทีเดียวนั่นนะเข้าก็ลุกเป็นปเปลวขึ้นอย่างนี้แหละอันกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุมันก็เหมือนว่าดีอยู่ทุกอย่างนั่นเองไนะ ใจดีเมื่อมันไม่มีเหตุนะยิ่มแย้มแจม่มใสอะไรต่ออะไรมันแสดงความดีออกมาทางนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีเหตุมากระทบเข้าแล้วก็เอาละความโกรธที่มันมีอยู่แต่เดิมมันได้เชื่อแล้วมันก็ลุกโลงขึ้นเหมือนอย่างไฟที่มันได้เชื่อนั่นแหละแต่ถ้าเาว่าผูใ้ใดรู้ตัวได้ ผมใจไว้กำหนดใจให้แน่วแน่วไว้อย่ารู้อำนาจแก่ความชุนชิวที่เกิดขึ้นในใจนั่นอย่างนี้มันก็บนเทาลงมันก็มาได้แสดงออกทางกายทางวาจาแต่ผู้ที่แสดงออกมาทางกายวาจานั้นแสดงว่ามันไม่ได้ข่มจิตละอารมณ์แห่งความโกรธเหล่านั้นเลย ลอยตามเรื่องมันมันนี่แสดงให้เห็นเปรียบเทียบดูอาการสำรวมจิตการฝึกจิตกับไม่ฝึกจิตเนี่ยมันทําให้คนเป็นคนดีทําให้คนเป็นคนชั่วเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เพราะนั้นผูใ้ใดปรารถนาอยากให้ตัวมืนคนดี ดัง น, นี้ต้องฝึกจิตใจสำรวมจิตตลอดเวลาเยืนเดินนั่งนวนมีสติระมัดระวังจิตตัวเองอยู่อย่างนั้นเคยภาวนาเคยพิจารณาไตรลักษณะอย่างไรมาแต่ก่อนก็พยายามกำหนดไตรลักษณะยานนั้นให้เกิดขึ้นในจิตเสมอ รือวิญาณที่รู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าสังขาร น, น่แปลว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นนั่นแหละความปรากฏเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของคนของสัตว์หรือเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นหมู่นี้นะท่านรวมเรียกว่าสังขารไอ้สังขารที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนนี่มันเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างไอ้สังขารที่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่ฉันมันก็เหมือนกันสังขารที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีวิญญาณครอง เช่นต้นไม้ใบหญ้าหินทรายอะไรพวกนี้มันไม่เป็นบุญเป็นบาปอันนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเองโดยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประกอบกันเข้าแล้วก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาอันนี้มันมันจึงไม่มีกิริยาอาการที่จะทำร้ายใครตับใคร เงอนเสียแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุเช่นลมพัดมันหักลงไขอยู่ใกล้น่นมันก็ทับเอาได้เหมือนกันแหละแต่มันไม่มีเจตนาเลยบรรดาสังขารที่ไม่มีวิญญาณกรองนี่เราต้องพิจารณาให้รู้เรื่องราวของสังขารทั้งสองประเภทนี้ อันประเภทที่เป็นมนุษย์นี่นะสาคัญเน่ะเพราะว่าสังขารประเภทนี้มันเจริญขึ้นมาก่อนสังขารประเภทอื่นคือมันรู้ดีรู้ชั่วได้เพราะเกิดเป็นคนมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นรู้สุขรู้ทุกข์ได้อยากมีความสุขเบือ่อหน่ายต่อความทุกข์ความรู้สึกอันนี้นะมันมีอยู่ทุกคนเลยแต่ถ้าว่า คนที่ไม่มีปัญญามาแสวงหาความสุขไม่พบเท่านั้นเองเนี่ยมันก็พบแต่วความทุกข์ะเป็นส่วนหลายคนที่ไม่มีปัญญานะนนเนี่ยเนี่ยดังนั้นหลยพระศาสดาจึงทรงสอนให้คนเราฝึกกายวาจาใจขางตนให้มันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นเพราะว่า บอกเกิดแห่งสติปัญญามันก็คือกายวาจาใจนี่เองนะไม่ใช่อย่างเอื่นหรอกเมื่อเรามีกายวาจาใจนี่มาแล้วเราปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าให้เต็มความสามารถแล้วอย่างนี้มันก็เกิดปัญญาขึ้นได้เช่น อ, อย่างเราทรงสอนให้ฝึกจิตที่พุ่งสั้นเลื่อนลอยให้มันสงบหลงให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างนี้นะ เราก็ฝึกทําตามอ่ะฝึกใจเนี่ยให้มันสงบให้มันหนักแน่นเข้าไปเช่นนี้ปัญญามันก็เกิดจากใจที่ฝึกให้สงบนั่นแหละใจที่หนักแน่นนั่นแหละมันเป็นเหตุให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบาปอากุศล รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลนี่เมื่อใจมันรู้ใจมันบริสุทธิ์จากบาปโทษต่างๆแล้วมันผ่องใสขึ้นมามันก็พอนึกคิดต้องการอยากจะรู้อะไรไอ้เรื่องนั้นมันก็แจ้งกระจ่างขึ้นในใจใจก็รู้เห็นไป ถ้าเรื่องของบาปเป็นี่มันก็มองเห็นบาปได้ชัดเจนเลยบาปมีลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันรู้ไปเลยเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วนะอมันเป็นอย่างนี้เหตุที่คนเรามันจะละบาปได้นั่นไอเรื่องบุญกุศลก็เหมือนกันเนี่ยอันเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็มองเห็น ทางที่จะทําบุญกุศลให้เจริญมากขึ้นโดยลําดับไปคือมองเห็นความประพฤติทางกายวาจานี่นะว่าทําอย่างนี้มันจึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพูดอย่างนี้มันจึงเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันประกอบไปได้วยทุกขประกอบไปได้วยโทษมันก็รู้นี่เมื่อรู้แล้วมันก็นสํารวมได้มาเนี่ยสังรวมระวัง ไม่ให้มันเผลอทาพูดในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นนี่เราพยายามทำและพูดให้มันมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเลือ่อยไปการทาการพูดนี่นะนี่มันคนฉลาดคนฝึกใจให้สงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วการกระทำคำที่พูดของผู้นั้นไม่ค่อยผิดพลาด แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้าคิดว่าการพูดเช่นนี้ออกไปแล้วไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ไม่พูดเลยอยากพูดก็ไม่พูดนิ่งไปซะเลยแ้วการทำอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์มีโทษอย่างนี้นะมันก็ไม่ทำมันก็งดไม่ทำเลย มันเป็นอย่างนั้นไอคนเรานเนี่ยมันมองดูจิตใจกันยากดูดอกไม่คว้าได้นี่เรามองดูความประพฤติทางกายวาจานี่เพราะยางรู้กันได้ว่าใครดีใครชั่วมันก็เห็นกันได้ตอนที่แสดงออกทางกายทางวาจานี่เองอย่าไปละเลยอย่าไปนึก ว่าตนทำดีแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่ควบคุมไม่สังเกตความประพฤตทางกายทางวาจาที่ตนทำตนพูดอยู่แต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเวลาออย่างนี้เนะี่ยไม่ถูกเลยนั่นถือว่าเป็นผู้ประมาทลืมตัวธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายเนะ่ะ ท่านยอมสังรวมกายวาจาอยู่ตลอดเวลาให้ความประพฤติทางกายทางวาจานี่เป็นปกติอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ผู้รู้ทั้งหลายนะเรานี่ยจะทำตัวเป็นผู้รู้อย่างนี้ไม่ได้เหลย อ, อย่างนี้เตือนตนเข้าไป มันก็โกงกันข้ามกับผู้ไม่รู้นั่นแหละผู้ไม่รู้อย่างนี้มันก็บางครามันรู้ตัวมันก็ทำดีผูด้ดีไปทามันลืมตัวมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้นะความรู้อันนี้เมื่อไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้มันเดียดเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ให้เข้าใจดังนั้นการฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นนี่นะจึงเป็นหลักสำคัญเป็นหลักประกันชีวิตของเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในที่ําเป็นเครื่องเชิดชูชีวิตจิตใจในี้ให้สูงขึ้นไปโดยลาดับอย่าพากันเกียดคลานการสํารวมจิตฝึกจิตการข่มจิตในเวลามี เรื่องไม่ดีต่างๆกระทบก็ทั่งมารีบคมจิตไว้อย่าให้มันพุ่งไปตามเรื่องไม่ดีนั้นนันนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำแต่คนส่วนมากไม่ค่อยทำอย่างนี้นะพอมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเราบไหวไปตามเลยอย่างนี้ห้ามจิตตัวเองก็ไม่เป็นสะกดจิตตัวเองไว้ก็ไม่เป็น มันเคยมาอย่างนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วนี่ดังนั้นถ้าผู้ใดไม่ใส่ใจตัวเองเขาจริงๆมันละไม่ได้จริงๆกิเลสเหล่านี้นะมันเคยชินจนเป็นนิสัยทันวันนั้นแหละคำว่านิสัยเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงความดีทั้งหมดนะเช่นคนมีนิสัยชั่วคนมีนิสัยดีอย่างนี้นะ หมายความว่าคนผู้นั้นมีความชั่วติดตัวมาเป็นนิสัยปัจจัยติดตัวมาแต่ก่อนจนมาถึงปัจจุบันและึ่งแสดงออกทางกายวาจาไปในทางหยาบคายต่างๆบ่อยๆเข้าคนตั้งหลายก็เลยรีอย่างว่าคนผู้นี้มีนิสัยชั่ว <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าผูใ้ใด ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่น้วยดีมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ไตรควรก่อนพิจารณาก่อนถ้าเห็นว่ามันจะทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเน้ะงดไม่ทำไม่พูดพิจารณาเห็นว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นด้วย ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอย่างนี้นะการกระทำการพูดของผู้รู้เช่นนั้นอนะ่ะมันก็สม่ำเสมอคนท่้งหลายก็เลยพูดว่าคนผู้นี้มีนิสัยดีใจคอดีอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาดูตัวของเราทุกคนแหละว่าตนมีนิสัยชั่วหรือนิสัยดีติดตัวอยู่เวลานี้นะ่ะ อย่างไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ยคําว่านิสัยนิสัยชั่วมันมากกว่านิสัยดีมันก็แสดงออกซึ่งความชั่วมากกว่าการแสดงออกซึ่งความดีมันเบงั้นนิสัยชั่วมันก็มันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดที่นี่คนเรานะ่ะบางคนก็มีความโลภเป็นนิสัย แสดงออกซึ่งความโลภบ่อยๆบางคนก็มีความโกรธเป็นนิสัยแสดงออกซึ่งความโกรธบ่อยๆบางคนก็เป็นคนหลงคนเมาแสดงอาการกิริยากายวาจาอะไรออกไปก็เป็นเรื่องหลงเรื่องเมาเรื่องไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร ทำไปพูดไปเลื่อยเปืยไปอย่า น, นั้นแหละอจะเป็นบาปจริงก็ไม่ใช่จะเป็นบุญก็ไม่เชิงเรียกว่าพระกิริยาอาการที่ทําที่พูดความคิดความเห็นนั้นมักจะไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์มักจะไปในทางที่ผิดนั่นเรียกว่าคนมีนิสัยประกอบไปด้วยความหลงความเมาหมู่นี้นะ บางคนก็มีนิสัยกระด้างกระเดืองอไม่ค่อยมีการอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนควรน้อมสาคัญว่าตนมีความรู้ดีหรือว่ามีกําลังกายแข็งแรงแม้จะชกจะตีกันเราก็ไม่กลัวใครมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเลยว่าคนมีมานะถือตัวจัด อันนั้นก็ยว่ามันนิดเป็นนิดใส่ชั่วอันนึงนิดใสชั่วอันนี้มีร้ายการมากทําให้คนเราทําชั่วได้หลายอย่างคนแข็งกระด้าง น, นี่นะมันมันทําชั่วได้โดยที่ไม่ไม่เกรงกลัวใครนี่นะนั่นเนี่ยมันแข็งกระด้างพอแล้วแม้แต่ ลูกก็ไม่เกรงใจพ่อแม่ลูกศิษย์ก็ไม่เกรงใจอุปชาอาจารย์พูดใดทำตัวเป็นคนแข็งกระด้างกระเดืองอย่างว่านันน ะ, สะแสดงความชั่วต่อหน้าอุปชาอาจารย์ต่อหน้ามารดาบิดาอุปชาอาจารย์จะห้ามปรามไม่ได้ก็ไม่ฟังหรือพ่อแม่จะห้ามปรามลูกเต้าอย่างไรก็ไม่ฟัง อย่างนี้เรียกว่ามีนิสัยกระด้างกระเดืองนั่นแหละมันถึงทำชั่วได้เพราะนั้นทุกคนต้องให้อ่านนิสัยใจคอของตนให้มันออกแล้วปรับปรุงให้มันดีไปเรื่อยๆแต่ใครถ้าไม่รู้จักนิสัยใจอของตนโดยที่ท่วนดังกล่าวมานี้ แม้ผู้นั้นจะมีความรู้ความจำในธรรมวินัยได้มากเท่าไรมันก็แก้นิดใสอันชั่วช้าตนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยพากันพิจารณาให้ดีไม่มีใครที่จะติดสอยห้อยตามตักเตือนสั่งสอนเราอยู่ทุกอิทียบทไปได้ไม่มี ดังนั้นตนของตนนั่นแหละสอนตนไปทุกอริยบดมันจะสอนได้ตนสอนตนได้จริงๆเลยแต่ถ้าไม่ประมาทนะถ้าประมาทแล้วก็อย่างบ้านนั่นแหลมันลืมตัวฉะนั้นความไม่ประมาทหมายความว่าเป็นผู้คึกสติสัมปชัญญะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเสมอ ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ตัวว่าตนยืนอยู่ตนเดินไปตนนั่งอยู่ตอนนอนอยู่ตนพูดอะไรกับใครอยู่ตนทาอะไรร่วมกับใครอยู่หมู่นี้นะต้องรู้ตัวควระ ม, มัดระวังความชั่วมันจะมากระทบกระทั่งเอาหรือคอยระวัง จิตของตนอย่าให้มันเกิดความชั่วมันรู้ชั่วขึ้นมาคามระวังอยู่อย่างนั้นเช่นจิตคิดโกรธขึ้นมานเนี่ยก็เรียกว่าจิตคิดชั่วต้องระวังความคิดของตัวเองอยู่เนี่ยถ้าผู้ใดมีสติที่ถ้วนระวังสำรวมจิตใจตัวเองอยู่อย่างนี้อไอ้ความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาไม่ได้ ตนไปนอย่างนั้นถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะนี่มันเอาไปใช้ทางอื่นเสียมากต่อมากนุ่นละลึกไปแต่เรื่องภายนอกนู่นไอเรื่องกายเรื่องใจเรื่องวาจาอันนี้ตนทําตนพูดตนคิดอยู่นีนไม่ไม่ไม่พิจารณาไม่ละลึกทวนกระแสเข้ามาดูว่าไอ้ตนคิดอย่างนี้มันถูกหรือไม่ ตนมีความรู้ความเห็นอย่างนี้มันถูกมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือไม่ไม่ไม่ค่อยระลึกเข้ามาวิจัยดูความคิดความนึกความรู้สึกในใจตัวเองอย่างนี้นะนี่แหละคนเราสายเหตุที่จะทําผิดพูดผิดไปได้น่ะอืผู้ที่ทําถูกพูดถูกไปมสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะว่า มีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในบ่อยๆมารู้จิตใจตัวเองประคองขี ด, ดให้มันประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมสม่ำเสมอไปเนี่ยคือประคองขิดให้ประกอบอยู่ด้วยความเป็นผู้สันโดษมักน้อยยินดีตามมีตามได้อ่ ถ้าเป็นนักบวดอย่างนี้นะมันก็ต้องเชื่อบุญเชื่อวาสนาตัวเองต้องอธิษฐานถึงบุญถึงบารมีถ้าหา ก, กว่าตนมีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอบรมวัแต่ก่อนมันมากน้อยเพียงใดมันก็จะมาอำนวยผลให้เป็นผู้เจริญด้วยปัจจัยทั้งสี่เท่านั้นแหละ ถ้าตนมีบุญวัสนาน้อยมันก็ได้ปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาเต่มน้อยอืมอย่างนี้แหละเมื่อตนมีบุญวาสนาบา ร, รมีมามากแต่ก่อนอย่างนี้ให้เห็นเข้าก็เลื่อมใสศรัทธาอยากจะถวายสิ่งของอะไรต่ออะไรอยากออถวายปัจจัยเครื่องอาศัยของวันพระชิตไม่อดไม่อยาก นี่มันมันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีเป็นคนไม่เจนีที่เหนียวมาแต่ก่อนแล้วมาปัจจุบันนี่ก็เป็นผูกฝึกใจของตนให้มีเมตตาอารีเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวนี่บุคคลใดมีคุณธรรมคุณงามความดีทั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบันดังกล่าวมานี้ น, ะนั่นแหละมันยึง อำนวยผลที่ดีจเจริญด้วยราบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจได้ไอคนส่วนมากนะมันไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนเมื่อเมื่อตอนหาดตกบกพ่องอะไรไปอย่างนี้มันก็นึกเดือดร้อนอเดือดร้อนใจ ว่าเราอันนั้นก็ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีร้อนใจอยู่นั้นไม่ได้นึกถึงบุญถึงกรรมของตนถึงวัฒนาบา ร, รมีที่ตนทํามาแต่ก่อนมักจะไปอิจฉาลิษยาผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีมักคืออิจฉาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดกิเลสป่าประทับขึ้นมาในใจ แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้มีความรู้ดีเป็นผู้มีคุณธรรมเธอสันดุจถีทำยินดีตามมีตามได้มันก็นึกถึงวัฒนาบา ร, รมีของตัวเองได้เออตอนคงได้ทำความดีมาเทศาก่อนเพียงเท่านี้ผลมันจึงปรากฏเท่านี้อย่างงี้นะถ้าบุญกุศลมันอนํานวยผลให้ มากขึ้นไปก็รู้ตามนั้นแหละรู้ว่าตนมีบุญมากอย่างไรมันก็รู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่อิจฉาในทอทิยาใครแล้วก็ไม่เดือดร้อนตอนมีน้อยก็ใช้ใจ่ายตามน้อยอมีมากก็ใช้าจตามมากตามบุญตามกรรมมีคนนับถือน้อย ก็ไม่เดือดร้อนมีคนนับถือมากก็ไม่หลงไม่เพลินไปกับความนิยมนับถือของคนนี่ไอคนมีความรู้ดีอย่างว่านี่มีคุณธรรมนะมันเป็นงั้นอันมูลเหตุที่จะให้คนเราทำความดีสม่าเสมอไปได้มันเป็นงั้นไอผู้ที่ไม่มีความรู้อย่างนี้เนี่ย มันเดือดร้อนอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเดือดร้อนเราไปสแสวงหามิจฉาชีพที่วันนี้ไปไปประจบปจัดแจงคนอื่นไปหลอกลวงไปช่อกงคนอื่นให้ขลงเชื่อให้วัตถุสิ่งของอะไรมาใช้สอยบริโภคนั่นเรียกว่ามิจฉาชีพเป็นเป็นการทำมาหาเรี่ยงชีพผิดศีลผิดธรรม เป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ว่านักบวดไม่ว่าครื้นฮัดการทำมาหาเรียงชีพเนี่ยสำคัญไม่ใช่น้อยไอคนเราทำบาปอยู่ในโลกอันนี้นะสังเกตดูพอเรื่องอาชีพเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นได้ทำการค้าการขายเอาไปช่วงชิงกันไปแข่งกันขัดผลประโยชน์กันโกรธกันขึ้นมา สังหารกันลงไปหม่นี้ก็เรื่องอาชีพทั้งนั้นเนี่ยต่างคนต่างหาไปแล้วก็ไปเกิดไปขัดกันเข้าใครก็อยากล่ำหน้าใครอย่างนี้นะก็เกิดเป็นความโกรธขึ้นมาแหะทีแรกก็เป็นความโลภแหละเมื่อถึงขั้นต่อมาก็กลายเป็นความโกรธความเยาตาเข้าไปแล้วอย่างนี้นะมันก็จึงได้ประหัดประหารกันลง ผู้ใดผู้ใดไ ม, ม่ลืมตัวไม่รู้ตัวตนได้ประหัรประหารคนอื่นได้ดีอกดีใจว่าตนนั้นมีอํานาจบาดใหญ่ไม่มีใครสู้ได้มาเพียงอยู่ตนมีอํานาจเหนือผู้อื่นในปัจจุบันนี้นะ่ะไปทําลายล้างผานผู้อื่นได้แต่ตนก็ไม่มีอํานาจที่จะไปลบล้างบาปอากุศล ที่ตนทํานั้นให้มันหมดไปจา ก, กจิตใจได้บัางหนึ่งบาปกรรมนั้นก็เลยตามสนองเอาเกิดไปชาติใดก็ถูกเขาฆ่าตายอยู่นั่นแหละเห็นไปฆ่าผู้อื่นเข้าไปแล้วนะอไอไปหลอกลวงโช่โกงเอาสมบัติผู้อื่นไปของตนเกิดไปชาติใดตนมีสมบัติขึ้นมาก็มีคนมาหลอกมาลวงช่อกงเอา ไปอยู่อย่างนั้นเนยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะถูกเขาหลอกลวงเอา้าวทำไมเขาหลอกได้ล่ะไม่ทราบยังไงมันลืมตัวหรอระลึกไม่ได้เลยนั่นแหละกรรมชั่วที่ตัวทําไต้ก่อนมันมาบทบังไว้หมดเลยไม่มีปัญญาระลึกไม่ได้ในขณะนั้นะพอยให้เขาต้มเอาจนเปื่อย อันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวเขาตัวเองทุกคนเมือม่อเมือ่อเมื่อผู้ใดมารู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่สายเกินไปปรับปรุงตนของตนให้ดีในปัจจุบันนี้แม้นว่าจะไม่ได้มรรคผลนิพพานก่อนในชาตินี้แต่ขอให้ปรับปรุงคลายวาจาใจของตนให้ มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านี่นะปรับปรุงิจใจของตนได้เป็นผู้สันมีสันติถิธรรมถือตามมีตามได้อยู่ในใจปรับปรุงใจของตนให้เป็นผู้มีเมตตาอารีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นพื้นนิสัยใจคออยู่เสมอไปอย่าให้ใจมันคิดโกรธหรือพยาบาท คิดเปียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นให้มันคิดแต่ที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้มีความสุขใข้พ้นจากทุกข์ไปเท่าที่จะช่วยได้เท่าที่จะทำได้นี่ฝึกนิสฝึ ก, กจิตใจให้เป็นนิสัยประกอบพระรเมศ ต, ตาธรรมกรุณาธรรมหรือตลอดถึงมุทิตาอุเบกขาลงไว้น่น เมื่อเห็นญาติน้องถึงความวิบัติโดยประการใดๆก็ดีเราช่วยเหลือไม่ไหวล้วก็วางอุเบกขาลงถือว่ากรรมเวรของเขาได้ทำมาแต่ก่อนหรือว่าแม่จะเป็นคนอื่นก็ตามเลยเป็นมิตรเป็นสาหายหรือว่าเป็นการทำการงานอะไรแล้วมันผิดหวังไปมันไม่ได้ มันไม่เจริญขึ้นเท่าที่ควรอย่างนี้เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมถึงเวทที่ตนทำมาแต่ก่อนนั่นแหละตนต้องมีกรรมมีเวทอันหนึ่งมาตัดร้อน่ทาอะไรจึงไม่ก้าวหน้าไปได้พิจารณาเห็นกรรมเห็นเวรอย่างนี้เราก็วางอุเบกขาลงมันต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้จิตนี่นะ่ะจะปล่อยให้มันเป็นเองไปนะ่ะไม่ได้หรอก เมื่อมีเหตุมาถึงเข้านั้นเราพิจารณาเห็นแล้วก็ออาเรื่องนี้เป็นควรเป็นเรื่องที่ควรวางเฉยลงไปกะกดคุมใจสะกฏใจให้วางเฉยลงเช่นนี้มันถึงเป็นไปได้นะจิตนี่นะเราต้องช่วยตัวเองเนี่ยฝึกเข้าไปนานเข้าไปมันติดนิดสัยแล้ววันนี้มันก็เป็นไปได้แล้ววันนี้อเพราะความผ ผิดหวังอะไรบางเกิดขึ้นมาบางก็นึกได้เลยว่าโอเรื่องนี้มันมีเหตุปัจจัยเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันห ล, ละเราจะไปบังคับมันได้ยังไงอย่างนี้พอระลึกได้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงได้ไม่เสียใจไม่ดีใจอะไรกับความสมหวังและไม่สมหวังนั่ น, น, น โมนี่นะเราต้องมีคุณธรรมแล้วต้องฝึกคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจให้มันได้มันก็จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอันดีงามทำให้เป็นคนใจดีส ม, ม่ำเสมอไปการฝึกใจให้มีคุณธรรมคือให้ชอบความสงบระ ง, งับ ไม่ชอบความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตใจไม่ชอบปล่อยใจให้โลภให้โกรธให้หลงให้มัวหมองไปต่างๆนา น, นาอันนี้มันก็เกี่ยวกับการที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจนะนั่นเนี่ยเมื่อเราไม่ชอบใจที่จะให้ใจเศร้าหมองขุนมัวด้วยอุปกิเลแหล่งนั้น ผู้ใดเห็นใจของตอนเศร้าหมองขุนมัวนี่ต้องนึกถึงทุกขติได้ถ้าคืนปล่อยใจให้เศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยอุปกรณ์อย่างนี้เนะี่ยเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วเราต้องมีทุกขติเป็นที่ไปแน่นอนอย่างนี้นะหอนึกได้อย่างนี้มันก็กลัวต่อความทุกข์ที่จะตามติดตามตนไปในโลกนี้โลกหน้านั่นเมื่อก็ เปิดใจให้ตั้งมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนหะที่เรียกว่าเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยจะต้องฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งนี่ไม่ต้องการอย่างให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากคำว่าตนนี่ก็สมมุติเอารวงกิตนี่แหละปะว่ากันง่ายๆนะ ให้ถือว่าเป็นแค่สมมุติแหละจิตนี้ก็ดีแต่ถ้าละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วคำว่าทนไม่มีแบบนี้นะแต่ถ้ากิเลสยังมีอยูอ่มีอันที่จะต้องทำความเพียรฝึ ก, กจิตละกิเลสตัณหาอยู่มันก็ต้องยืมเอาสมมุติเหล่านี้นะมาใช้ซะก่อนนี่ใการรักจิตใจตัวเอง ตัวเองอยากจะอนทนออกจากทุกข์อันนี้นะเป็นความชอบรักอื่นยิ่งกว่ารักตนไม่มีพระศาสดาตัดไว้ถ้าผู้ใดไปรักผู้อื่นหรือสิ่งอื่นยิ่งกว่ารักตนไม่ถูกแล้วเดินทางผิดแล้วอย่าง น, นี้คนอื่นต้องมารักตัวเองแต่คนทำอย่างไรตนจะมีความสุขความสงบ ทำอย่างไรตนจะไม่โลภจะไม่โกรธจะไม่หลงไม่เมานี่ต้องมานึกถึงตัวเองอย่างนี้เมื่อมันนึกถึงตัวเองนี่บ่อยๆเข้าก็อา้าวภาวนาสิทำใจให้สงบลงไปมีสติประคับประคองจิตที่สงบนั้นอย่าให้มันถอนจากความสงบคำว่าสงบในที่นี้มัน เราต้องมาแบ่งออกเป็นสงตอนนะตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ทาจิตให้สงบได้ละเอียดแล้วจริงอะนนี้นิ่งอยู่ได้บัดนี้เวลาถอนออกจากสมาธิมาแล้วอย่างนี้นี่จะให้จิตมันนิ่งอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรตลอดเวลานละ้มันไม่ได้ เมื่อออกจากสมที่มาแล้วมีเหตุอะไรที่ควรจะคิดก็คิดแต่มีสติสำรวมจิตอ น, นั้นให้คิดแต่ในทางที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเนี่ยอย่าให้มันคิดไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นการประคองจิตให้คิดไปในทาง ที่ดีดังกล่าวมานั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่มันถึงคิดดีได้คนเรานะ่ะถ้าสมาธิ น, นี่ถอนแล้วไอ้ความรักความชังความหลงความเมาเข้าขงาองแล้วไม่ไหวได้อมันจะคิดดีอย่างนั้นเลือ้อยไปแล้วมันไม่ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอยู่อย่งนั้นเนี่ย ดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจึงว่าการภาวนาการฝึกจิตที่พุ่งซ่านเรื่อนร้อยให้สงบให้หนักแน่นลงไปอันนี้แม่นจะยากลำบากอะไรก็อย่าพากันโทษถอยต้องทำต้องตั้งความอดทนลงไปจนกลัวใจนะมันจะสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อเราสมาธ จะทำนั่งสมาธิภาวนาก็ดีถ้าใจยังไม่สงบเป็นหนึ่งลงไปอย่าไปถอยอา้าตายกับนี่แหละถ้าใจนี่ยังไม่สงบลงแล้วเราจะไม่ออกเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดเพราะว่ามันมันอยากเพลิดเพินนี้มันไม่เห็นทุกข์อ่ะลองดูสินั่งลงไป มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันเย็นอะไรต่ออะไรขึ้นมามันจึงเห็นโทษแล้ววันนี้อ๋อร่างกายนี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้อะจแล้วจะเพลินไปเอาอะไรล่ะในเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติมันแปรตพวนมันจะแตกกระดับอยู่นี้เตือนตนได้อย่างนี้มันก็หยุดจากการเพลิดเพลินโมเมาส่งจิจคิดไปภายนอก มันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายนะนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ในที่สุดจิตมันก็สงบลงเป็นหนึ่งได้อันนี้ถ้าหากว่าไม่สู้ทนกับทุกขเวทนาต่างๆเสียก่อนไม่ผ่านทุกขเวทนาต่างๆในใจรวมลงไม่ได้นี่ผู้ฝึกใจเบื้องต้นนะต้องให้เข้าใจไปกลัวแต่ทุกขเวทนาอยู่นั้น จิตรวมลงไม่ได้เลยดังนั้นอย่าไปกลัวต้องสู้ทนเหมือนไม่ตายง่ายๆดอกคนเรานะ่ะบุญมันยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่แต่ทุกข์กลัวแต่ตายมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าไปกลัวทุกข์กลัวตายอยู่ยนั่นนะ่ะเมื่อใจเข้มแข็งเกาไปอย่างนี้มันจึงสงบเป็นหนึ่งลงได้ไนะเนี เมื่อใจสงบเป็นหนึ่งลงไฟไปได้ก็แสดงว่าตอนน่ะบังคับจิตตนได้วันนี้นะอบังคับไม่ให้มันคิดตรงตายออกไปมันก็ไม่ไปบังคับให้มันนิ่งอยู่ภายในมันก็นิ่งอย่างงี้นะเนี่ยเราบังคับได้แต่จิตนี่แหละร่างกายส่ว น, นอื่นๆนั้นบังคับมันไม่ได้เลยอบังคับให้มันนิ่งอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ บังคับไม่ให้มันแปรปวนไม่ให้มันแตกดับบังคับไม่ได้ส่วนจิตนี่บังคับให้มันนิ่งลงได้ให้เข้าใจการฝึกจิตให้นิ่งให้ส ง, งบให้หนักแน่นนี่เนระสําคัญมากการเจริญปัญญานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วมันหากเป็นไปได้แล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าควรจะคิดมันก็คิดได้อ่านออกก็รู้ชัด ตามเป็นจริงได้ดังแสดงมา